บทที่หามรณสติความไม่ประมาทเป็นทางเครื่องถึงอมตะนิพพานความประมาทเป็นทางแห่งความตายชนผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายชนเหล่าใดประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วนี่เป็นพระพุทธดํำรัดจากคาถาธรรมบทชนผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมไม่ตายเพราะเหตุใดก็เพราะผู้ไม่ประมาทย่อมทำกุศลกรรมต่างๆได้แก่ถวายทานรักษาศีลปฏิบัติศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาเมื่อเขาเจริญสมาธิได้สำเร็จแล้วเขาก็ปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อที่จะรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เมื่อวิปัสสนาญาณถึงความแก่กล้าแล้วพระอริยะมรรคยานและพระอริยผลยานก็จะบังเกิดขึ้นมรรคยานละกิเลสไปตามลำดับจนไม่มีส่วนเหลือเขาจะเห็นพระนิพพานซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกว่าอมาตะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าความไม่ประมาทเป็นทางเครื่องถึงอมตะนิพพาน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าชนผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ไม่แก่หรือไม่ตายแต่หมายถึงว่าเมื่อเขาได้บรรลุพะร ะ, พะอรหัตตะมักและพระอรหัตตผลแล้วย่อมไม่เกิดอีกเหตุนั้นชนผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นเป็นอยู่ก็ตามตายแล้วก็ตามเนื่องจากไม่ต้องเกิดและตายอีกต่อไป จึงชื่อว่าย่อมไม่ตายโดยแท้ส่วนชนผู้ประมาทแล้วแม้เป็นอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วโดยแท้เพราะเหตุใดก็เพราะเขาย่อมไม่มีความคิดว่าเราจักถวายทานเราจักรักษาศีลหรือเราจักปฏิบัติตายสิกขาคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขา เป้าหมายของการปฏิบัติตายสิกขาคือเพื่อการรู้แจ้งเห็นแจ้งอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพื่อละความยึดมั่นในการในภพในทิฏฐิและอวิชชาเนื่องจากเขาไม่ปฏิบัติตาสิกขาเขาจึงไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เขาจึงมีความยึดมั่นในกามในภพในทิฏฐิและมีอวิชชาจึงทำให้เขาต้องเวียนเกิดเวียนตายแล้วแล้วเล่าเเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายและชนเหล่าใดประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วอธถกถาอธิบายว่าชนผู้ประมาทแล้วย่อมไม่เป็นไปร่วงซึ่งชาติได้ แม้เกิดแล้วก็ย่อมแก่ด้วยย่อมตายด้วยเหตุนั้นความประมาทจึงชื่อว่าเป็นทางแห่งมัจจุคือย่อมนำเข้าหาความตายในคืนนี้อัตมาจะแสดงธรรมเกี่ยวกับความตายเมื่อใดก็ตามที่กล่าวถึงการตายเราต้องกล่าวถึงชาติคือการเกิดด้วยก่อนที่อัตมาจะแสดงเรื่องการเจริญมรณสติ อัตมาค่้จะชี้ให้เห็นพฤติกรรมของมนุษย์ต่อการเกิดและการตายว่าช่างแปลกประหลาดจริงๆเพราะเหตุใดต่อการเกิดเมื่อเด็กแรกเกิดร้องไห้คนอื่นกลับยิ้มแย้มสีหน้าฉายแสดงความยินดีสุขใจแต่ต่อการตายเมื่อเวลาสุดท้ายมาถึงใครบางคนคนอื่นกลับร้องไห้ สีหน้าแสดงความโศกเศร้าโทมนัสพฤติกรรมมนุษย์สองแบบนี้ทำให้อัตมารู้สึกช ง, งนสนเท่มากเมื่อเด็กแรกเกิดกำลังล่าให้คนอื่นกลับยิ้มแย้มแต่เมื่อใครคนหนึ่งกำลังรอคอยเวลาสุดท้ายของชีวิตคนอื่นกลับล่าให้แท้ที่จริงแทนที่จะเพียงแต่เป็นสุขและยิ้มรับการเกิดของทารก เราควรจะใครควรให้ดีว่าอะไรบ้างที่คอยทารกนั้นอยู่เพราะเหตุใดก็เพราะเขามาสู่โลกอันเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกทั้งปวงตัวเขาเองก็จะเป็นทุกข์เช่นกันเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั้งปวงทารกแรกเกิดนั้นย่อมบ่ายหน้าไปสู่ทุกข์ไม่ใช่สู่สุขและเช่นกันกับผู้อื่นทารกนั้นย่อมจะเป็นเหตุแห่งทุก ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นทารกเล็กๆนั้นย่อมจะประสบกับความทุกข์ชนิดต่างๆเป็นอันมากที่เราประสบในชีวิตนี้เพราะชาติเขาต้องประสบกับความเจ็บไข้เพราะชาติเขาต้องประสบกับการแก่เพราะชาติเขาต้องประสบกับความกังวลเพราะชาติ เขาต้องประสบกับความโศกเพราะชาติเขาต้องประสบกับความโทมนัตเพราะชาติเขาต้องประสบกับความกลัวเพราะชาติเขาจึงไม่อาจหนีพ้นความตายเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสลดใจนอกจากนี้เขาอาจสั่งสมแต่อกุศนกรรมมากขึ้นมากขึ้นตลอดชีวิตเนื่องจากอวิชาคนส่วนใหญ่ สั่งสมแต่อกุโสลกรรมเป็นอันมากในช่วงแห่งชีวิตถ้าเขาทำอกุโสลกรรมมากเขาอาจตกไปเกิดในภพหนึ่งของอบายภูมิสี่ดังนั้นจึงเหลือจะขัดคืนได้ต่อคำกล่าวที่ว่าชาติทำให้คนติดอยู่ในวัฏะสงสารโดยการไต่ตองเราจึงเห็นว่าชาตินำมาซึ่งความทุกข์ ทั้งกายและใจแต่คนอื่นไม่ชอบที่จะยอมรับเช่นนี้บิดามารดาใช้ชีวิตอย่างภาคเพียรที่จะให้บุตรได้กินดีอยู่ดีสู้ทนทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อบุตรเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายก็แก่ชรามากขึ้นมากขึ้นและอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงในที่สุดวันหนึ่งก็ตาย การเกิดเดินบ่ายหน้าต่อการตายอย่างไม่อาจหลีกหนีได้จุดจบของเราได้รับการประกันไว้ด้วยจุดเริ่มต้นไม่มีผู้ใดหลีกพ้นความตายได้นี่คือทุกข์ที่มาพร้อมกับการเกิดนี่คือทุกข์ที่เกิดจากชาติเป็นปกติที่คนย่อมยินดีกับการมาถึงแห่งทารก การเกิดเป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับคนส่วนใหญ่เพียงเพราะเขาไม่เห็นหรือไม่รับรู้ถึงความทุกข์ที่มีเนื่องจากการมีชาติถึงแม้คนจะทราบว่ามนุษย์ต้องตายเขาก็ไม่ต้องการพบกับการตายของตนบางคนถึงกับคิดว่าการเห็นศพเป็นสิ่งอัปมงคลดังนั้นเขาจึงพยายามเลี่ยงโอกาสเช่นนั้น อัตมามีลูกศิษย์หลายคนที่ไม่เคยเห็นศพจริงๆเลยในชีวิตยามที่อัตมาต้องสอนให้เขาเจริญมรณะสติอัตมาเผชิญกับอุปสรรคเพราะเหตุใดก็เพราะเขาต้องใช้ศพเป็นอารมณ์กรรมฐานเพื่อเจริญมรณะสติเมื่ออัตมาบอกกรรมฐานดังกล่าวเขาพูดว่าในชีวิตนี้ยมยังไม่เคยเห็นศพเลยค่ะ บางคนก็พูดว่าในประเทศของโยมการเห็นศพถือว่าเป็นอัปมงคลค่ะดังนั้นถึงแม้ว่ามรณนะจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกับชาติพวกเขากับไม่มีประสบการณ์ตรงในการเห็นศพมาก่อนเลยดังนั้นเมื่ออัตมาสอนให้เขาเจริญมรณนะสติจึงต้องหาภาพศพให้เขาดู เขาจึงใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานได้ตรงกันข้ามอัตมาเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่เห็นศพเป็นสุภมงคลสมัยเพราะเหตุใดเพราะเป็นแรงจูงใจให้ระลึกถึงมรณะของตนเองเมื่ออัตมามองดูศพอัตมารู้สึกว่ากำลังเห็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้นับเป็นโอกาสเหมาะ ที่จะขบคิดเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้ของกายนี่เป็นประสบการณ์นับตั้งแต่สมัยที่อัตมายังเป็นเด็กเมื่อใดก็ตามที่เห็นศพจะทำให้อัตมาคุ้นคิดเมื่อใดก็ตามที่อัตมาตั้งใจดูที่ผิวอันธุเรศหน้าเกียดของศพอัตมาก็ย้อนดูที่ผิวของตนด้วย และรู้สึกราวกับว่าผิวเปลี่ยนไปอัตมารทราบว่าชีวิตต้องมีจุดจบอัตมาเองก็ต้องมรณะภาพเช่นกันขณะนั้นแม้อัตมายังเป็นเด็กแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ความสังเวชคือความรู้สึกเตือนสำนึกอันยากที่จะขัดขืนได้เกิดขึ้นในตน แต่เพราะยังเป็นเด็กมากจึงไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรกับความรู้สึกที่ขัดแย้งกันระหว่างการเห็นความไร้สาระของชีวิตและความสังเวชต่อเมื่อเติบใหญ่ขึ้นความรู้สึกเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการเจริญภาวนาของอัตมาดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการเห็นศพ เป็นสุภาพมงคลสมัยโดยแท้ที่จริงแล้วการเห็นศพนับเป็นโอกาสที่จะได้ไต่ตรองอย่างลึกซึ้งแก่ผู้ที่มีโยนิโสมนัสิการคือการใช้ปัญญาพิจารณาแต่เป็นการเสียโอกาสแก่ผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนสิการการเห็นศพเป็นโอกาสเพื่อความหลุดพ้นในสมัยพุทธกาล มีพุทธาสาวกหลายท่านสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยการเห็นศพและเจริญมรณสติดังนั้นการเห็นศพจึงเป็นโอกาสเพื่อความหลุดพ้นของเราโดยแท้อัตมาใครจะแบ่งปันประสบการณ์ของอัตมาแก่พวกท่านทั้งหลายสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง ที่นำมาซึ่งการอุปสมบทของอัตมาคือการเห็นศพเรื่องมีอยู่ว่ามารดาของลูกศิษย์คนหนึ่งป่วยเป็นเวลานานอัตมาช่วยดูแลผู้ป่วยด้วยจนดูเหมือนว่าสุขภาพเธอดีขึ้นและปรากฏราวกับว่าเธอกําลังจะหายป่วยหลังจากนั้นไม่นานเธอกลับสุดลงและตายในที่สุดก่อนหน้านั้น อัตมายังไม่ได้คิดถึงการตายของตนเองอัตมาทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อสร้างชีวิตทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพื่อหาเงินทำงานเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยจึงเป็นการง่ายที่จะไม่ได้คิดถึงการตายของตนในขณะกำลังทำงานหนักสะสมบางอย่างเพื่อเพิ่มพูนและยกฐานะของชีวิต แต่การตายของเธอผู้นั้นเป็นดังเสียงปลุกให้ตื่นกระตุ้นให้ความสังเวชเกิดแก่อัตมาเราให้การดูแลเธออย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นยาอย่างดีที่สุดอาหารดีๆสิ่งอำนวยความสะดวกดีๆแต่ไม่มีสิ่งใดที่ช่วยชีวิตเธอได้เลยเมื่อเวลาของเธอหมดเธอก็เสียชีวิตถึงแม้ว่า เราได้รักษาเธอด้วยยาที่ดีที่สุดและแพงที่สุดและอาการป่วยของเธอก็ดูเหมือนว่าจะทุเลาขึ้นแต่จูจ่ๆสภาพของเธอก็กลับเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝันและถึงแก่ชีวิตในที่สุดในเวลานั้นอัตมาจึงได้เข้าใจว่าชีวิตของตนก็ต้องสิ้นสุดในวันหนึ่งเช่นเดียวกัน อาตมาต้องตายเหมือนกันที่แน่ๆก็คืออาตมาไม่ทราบว่าจะตายเมื่อใดจะตายที่ใดและจะตายอย่างไรอาตมาจึงคุ้นคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใดอาตมาไม่ทราบอาตมาจึงทำความระลึกว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายของเราแน่นอน เราพึงตายแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายเที่ยงเมื่ออัตมาพิจารนาว่าเป็นไปได้ที่จะตกไปเกิดในภพหนึ่งของอบายภูมิสี่ก็ให้สะดุ้งกลัวอัตมาจึงรู้แน่แก่ใจว่าอัตมาต้องการหลุดพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิ จึงเกิดคำถามต่อมาว่าต้องทำอย่างไรอัตมาจิงตนักว่าอัตมาจำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในขณะที่ยังมีเวลาและโอกาสที่จะทำในกิจที่ควรทำอัตมาตระหนักว่าการเปลี่ยนวิถีชีวิตจำเป็นต้องทำเดี๋ยวนี้ก่อนตายในขณะนั้นความสังเวช ท, ท่วมท้นจิต รุนแรงมากจนไม่ต้องการทำอย่างอื่นใดนอกจากการปฏิบัติกรรมฐานหลังจากนั้นไม่นานนักอัตมาก็อุปสมบทเป็นพระพิสุเรื่องส่วนตัวนี้แสดงให้ท่านเห็นภาพว่าเพราะเหตุใดการเห็นศพจึงเป็นสุภาพมงคลสมัยจริงๆเป็นเสียงปลุกให้ตื่นเป็นธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นสู่ความเป็นอิสระจากความทุกข์ ถ้าเราเห็นศพด้วยโยนิโสมนัสิการก็จะบันดาลใจให้ทำในสิ่งที่ดีและให้ปฏิบัติธรรมด้วยความแน่วแน่และภาคเพียนเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นทารกแรกเกิดเราทราบว่าในระหว่างการเกิดและการตายมนุษย์ย่อมต้องประสบกับสิ่งต่างๆมากมายทั้งที่คาดหมายและไม่คาดหมาย ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาถึงแม้ว่าเราเป็นสุขที่ได้เห็นการเกิดเราส่วนมากกับไม่ต้องการคิดเรื่องการพบกับความตายแต่ถ้าให้บอกความจริงก็คือการเห็นศพเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเราเกล่าวถึงการตายเราต้องกล่าวถึงสาเหตุการตายด้วย เพราะเหตุใดบางคนตายเมื่อหนุ่มบางคนตายเมื่อแก่พระศา ส, สดาตัดแสดงในพระอภิธรรมว่ามรณะย่อมมีด้วยสี่สาเหตุดังนี้หนึ่งกาละมรณะย่อมมีด้วยการสิ้นอายุอายุกัคยะมรณะหนึ่งการสิ้นบุญหรือกรรมที่นำมาเกิด กรร ม, มขยมรณะหนึ่งการสิ้นทั้งอายุและกรรมอุพยักษยะมรณะหนึ่งสองอการะมรณะย่อมมีด้วยอำนาจกรรมที่เข้าตัดรอนอุปัชเชทะกะมรณะหนึ่งเช่นตายด้วยอุบัติเหตุแม้ว่าอายุและกรรมที่นำมาเกิดยังไม่สิ้น แต่อุปะคาตกะกรรมเข้าตัดรอนทำลายจึงต้องตายเราคงจำกันได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ผู้คนตกตะลึงและตื่นตระหนกสักเพียงใดเมื่อขึ้นยักษ์ซีนามิฆ่าคนไปมากมายคนเป็นพันเป็นหมื่นบาดเจ็บหรือถูกซัดหายไปกับหายนะภัยธรรมชาตินั้นแม้ทุกวันนี้เราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่า คนมากเท่าใดที่เป็นเหยื่อการทำลายล้างของคลื่นสังหารนั้นทั้งหนุ่มและแก่ทั้งรวยและจนนี่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ผลของอุปปคาตกะกรรมหรืออุปัชเชทกะกรรมเข้าตัดรอนทำลายชีวิตภาษาบาลีเรียกอุปัชเชทกะมรณะสาเหตุที่สี่ของการตายทุกคนย่อมเสียชีวิต เนื่องจากหนึ่งในสี่เหตุนี้บางท่านตายเพราะสิ้นอายุบางท่านตายเพราะสิ้นกรรมบางท่านตายเพราะสิ้นทั้งอายุและกรรมบางท่านตายเพราะกรรมตัดรอน